รู้จักพญานาคเจ็ดจำพวกที่พญาครุดไม่อาจทำร้ายได้จากตำนานเรื่องเล่าครุดยุตนาคที่เกิดเป็นความแค้นระหว่างสองเผ่าพันธุ์คือพญาครุดกับพญานาคและอีกหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องเล่าต่างๆที่พญาครุดมักจะชอบเฉี่ยวพญานาคไปทำร้ายบ้างหรือชอบเชี่ยวไปกินเป็นอาหารบ้างทำให้มีความเชื่อกันว่าพญาครุดมีอำนาจเหนือกว่าพญานาค โดยตำนานครุดยุทธหน้าของพราหมณ์ฮินดูเล่าโดยย่อคือนางวินตาซึ่งเป็นมารดาของพญาครุดได้ตกเป็นทาาของเหล่าพญานาคเมื่อพญาครุดถือกำเนิดขึ้นมาจึงหาทางช่วยเหลือมารดาของตนโดยนำน้ำอมฤตไปแลกกับการปล่อยตัวของมารดาระหว่างนั้นพระอินทร์ทราบเรื่องจึงนำกองทัพเทวดาไปต่อสู้กับครุดเพื่อนำน้ำอมฤตกลับคืนมาแต่ก็สู้ครุดไม่ได้ทำให้เดือดร้อนถึงพระวิษณุมาช่วยขัดขวาง เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครแพ้หรือชนะจึงได้เจราจาเพื่อยุติการต่อสู้ในตอนนี้นี่เองที่พยาครุฑได้ขอพรต่อพระวิษณุคือให้ตนเป็นอมตะและให้ตนมีสิทธิ์จับหน้ากินได้ซึ่งเป็นที่มาของคําว่าครุฑยุติน้าพยาครุฑยังขอพร อ, อีกหนึ่งเรื่องคือให้ตอนอยู่สูงกว่าพระวิษณุด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นข้อสันนิษฐานกันโดยทั่วไปว่าจากการขอพรของพยาครุฑ ต่อพระวิษณุในข้อที่ว่าให้มีสิทธิ์จับนาคกินได้ทําให้พยาครุษมีอํานาจเหนือกว่าพญานาคซึ่งจะเห็นรูปปั้นครุฑยุดนาคตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือแม้แต่วัดวาอารามก็ตามแม้จะเป็นศิลปะที่ดูแลมีความสวยงามแต่ก็แฝงไว้ด้วยตำนานและที่มาของพยาครุษที่มีอํานาจเหนือกว่าพญานาคอีกประการหนึ่งที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้พยาครุษมีอํานาจมากและมีอํานาจเหนือกว่าพญานาคคือ ในตำนานครุฑยุทธน้านางวินตาซึ่งเป็นบรรดาของพญาครุฑได้ขอพรต่อมหาเทพฤษีพระกัจย ป, ปะมุนีผู้เป็นพระสวามีว่าขอให้ตนมีบุตรที่มากไปด้วยอํานาจวาสนาเมื่อพญาครุฑถือกําเนิดขึ้นมาก็มีร่างกายที่ใหญ่โตเทียบเท่ากับผืนฟ้าเวลาพญาครุฑกระพริบดวงตาทีไรก็เหมือนกับแสงฟ้าแลบหรือเวลาที่พญาครุฑขยับปีดถึงกับทําให้ขุนเขาตื่นตระหนกพญาครุฑยังมีรัศมีกายที่เ จ, จริญรัด เปล่งแสงเหมือนดังไฟที่ลุกโชนช่วงไปทั่วทุกทิศลักษณะาการเกิดของพยาครุษจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงอำนาจวาสนาความยิ่งใหญ่สมกับที่นางวินตามารดาของพยาครุษได้ขอพรทําให้พยาครุษเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งเทพที่มีพลังอํานาจมากแต่ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาแล้วพยาครุษจะมีอํานาจมากกว่าพญานาคได้หรือสามารถโฉบเฉี่ยวพญานาคไปได้จะต้องเป็นพยาครุษที่มีชาติกำเนิดเท่าเทีเทยมกับพญานาคตนนั้นๆ หรือมีชาติกำเนิดที่สูงกว่าพญานาคแต่ถ้าพญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าบุญบารมีย่อมมากกว่าพญาครุฑก็ไม่สามารถนําพญานาคไปได้เช่นกันพญานาคที่พญาครุฑไม่อาจทําร้ายได้มีอยู่เจ็ดจำพวกตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกคือ 1. พญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่า 2. นาคกรรมพลอสตดหรือนาคเกษตนาบดี 3. นาคทัตตรดเป็นพญานาคราชาหรือนาคในชั้นปกครอง 4. นาคในมหาสมุทรสัตตสีทันดร 5. ห้านาคที่อยู่ตามแผ่นดินหรือพื้นดิน 6. นาคที่อยู่ตามภูเขา 7. นาคที่อยู่ในวิมานส่วนสาเหตุต่างๆที่ทําให้พยาครุษไม่อาจทําร้ายพญานาคทั้ง7จ็ดจำพวกนี้ได้คือ 1. พญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าพย า, าครุษโดยการกําเนิดของสรรพสัตว์ซึ่งรวมทั้งพยาครุษและพญานาคนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่รูปแบบคือ 1. อันทชะ คือเกิดในใคร 2. ชลาพุชะคือเกิดในคันสาสังเสรทชะคือเกิดในเหงือใครไม่ต้องอาศัยคันบรรดาในการเกิด 4. โอปะปะติกะคือเกิดแล้วโตทันทีโดยไม่ได้อาศัยคันบรรดาในการเกิดสำหรับพยากรุดและพญานนาคนั้นจะถือว่าการกำเนิดโดยโอปปะปฏิกะเป็นชาติกำเนิดที่สูงที่สุดรองลองมาคือการเกิดโดยสังเสรทชะชลาพุชะและอันทชะ พยาครุษที่มีชาติกำเนิดในรูปแบบของอันทชชะคือเกิดในไครจะสามารถโฉบเฉี่ยวพญานาคที่มีชาติกำเนิดในรูปแบบของอันทชชะคือเกิดในไข่เช่นเดียวกันไปได้แต่พยาครุษที่มีชาติกำเนิดในรูปแบบอันทชชะจะไม่สามารถโฉบเฉี่ยวหรือทําร้ายพญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าตนได้คือพญานาคที่เกิดในรูปแบบชะลาพุชชะหรือเกิดในคันพญานาคที่เกิดในแบบสังเสริชะคือเกิดในเหงือใครพญานาคที่เกิดโดยโอปปะปฏิกะคือเกิดแล้วโตทันที เพราะชาติกำเนิดที่สูงกว่าย่อมสแสดงถึงบุญบารมีที่มีมากกว่าดังนั้นในด้านบุญยริศและอิทธิริศจึงไม่สามารถต่อกอนกันได้พยาครุษ ท, ที่มีชาติกําเนิดในรูปแบบของชาลาพุชะคือเกิดในคันจะสามารถโฉบเฉี่ยวพญาน้าที่มีชาติกําเนิดในรูปแบบของอันทชะคือเกิดในไข่ซึ่งเป็นชาติกําเนิดที่ต่ํากว่าไปได้และสามารถโฉบเฉี่ยวพญานาคที่มีชาติกำเนิดในรูปแบบของชลาผู้ชะคือเกิดในคั น, นซึ่งเป็นชาติกําเนิดที่เทียบเท่ากับตนไปได้เช่นกัน พยาครุษที่เกิดโดยชลาพุชะจะไม่สามารถโฉบเฉียวพญานาคที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าตนได้แก่พญานาคที่เกิดในรูปแบบสังเสรชะคือเกิดในเหงือใครและพญานาคที่เกิดโดยโอปปะปฏิกะคือเกิดและโตทันทีไปได้พยาครุษที่มีชาติกําเนิดในรูปแบบของสังเสริชะคือเกิดในเหงื่อใครจะสามารถฉบเฉี่ยวพญานาคที่มีชาติกําเนิดในรูปแบบอันชะะและชลาพุชะไปได้เพราะมีชาติกำเนิดที่ต่ำกว่า และยังสามารถโฉบเฉี่ยวพยาณาคที่เกิดในรูปแบบของสังเสริชะซึ่งเป็นการเกิดในระดับเดียวกันไปได้แต่จะไม่สามารถโฉบเฉี่ยวพยานาคที่เกิดโดยโอปปะปฏิกะไปได้พยาครุฑที่มีชาติกําเนิดสูงสุดคือเกิดโดยโอปปะปฏิกะจะสามารถโฉบเฉี่ยวพยาณาคที่เกิดโดยโอปปะปฏิกะซึ่งเป็นพยาณาคที่เกิดในระดับเดียวกับตนไปได้และยังสามารถโฉบเฉี่ยวพยาณาคที่มีชาติกําเนิดต่ํากว่าไปได้คือนาคที่เกิดโดยสังเสริชักชาลาผู้ชะ และอันทชะจะเห็นว่าพญาครุฑไม่อาจทำระพญานาคที่ถือชาติกาเนิดสูงกว่าตนไปได้ก็จริงอยู่แต่ถ้าถือชาติกาเนิดในระดับเดียวกันพญาครุฑก็ยังมีอํานาจที่เหนือกว่าพญานาค 2. นาค ก, กําพล อ, สอัสดรเป็นพญานาคระดับเสนาบดีมีแหล่งอาศัยอยู่ที่เชิงเขาสินเนรุแม้ว่าพญาครุฑจะเห็นพญานาค ก, กําพล อ, สอัสดรหรือนาคเกษนาบดีเหล่านี้ในที่ใดก็ตามแต่ก็ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้เช่นกัน เพราะดิษฐ์อำนาจของพญานาคในระดับเสนาบดินนั้นมีมากอีกทั้งในโลกทระถิบยังถือการให้เกียรติกันและกันในเรื่องของบุญบารมีดังนั้นนาคเสนาบดีจึงเป็นนาคในระดับสูงพยาครุษจึงไม่อาจทําร้ายได้ 3. นาคทัตตรศเป็นพญานาคราชาหรือพญานาคในชั้นปกครองที่มีอํานาจมากทั้งด้านบุญริ์และอิทธิริศไม่ว่าจะเป็นพยาครุษตนใดก็ไม่สามารถทําร้ายหรือโฉบเฉียวเอาไปได้และอย่างที่กล่าวไปว่า ในโลกกทิพนั้นมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้ว 4. หนนาที่อาศัยอยู่ในมหาสมุท ร, รสีทันดรซึ่งมหาสมุทรสีทันดรแห่งนี้เป็นทะเลระหว่างภูเขาเจ็ดลูกโดยภูเขาทั้ง7นี้อยู่ล้อมรอบเขาสิในรูกสำหรับมหานทีสีธันดรแห่งนี้มีน้าที่ละเอียดใสสะอาดกระแสน้ามีความเป็นทิพย์และใต้ทะเลสีทันดอนยังมีความลึกมากที่สุด พญานาคตนใดที่อาศัยอยู่ในบริเวณมหาสมุทรสรีทันดรจะไม่มีครุดตนใดสามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้เพราะความลึกของแม่น้ําประกอบกับความเป็นทิฟฟ์และปัจจัยอื่นๆทําให้ครุดไม่อาจทําร้ายนาคที่อยู่ในบริเวณนี้ได้ 5. นาคที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดินซึ่งจะมีที่หลบซ่อนหลายแห่งทําให้พญาครุดไม่อาจโฉบเฉี่ยวเอาไปได้เช่นกัน 6. นาคที่อาศัยอยู่ตามภูเขาซึ่งจะมีที่หลบซ่อนไม่ต่างจากนาคที่อาศัยอยู่ตามแผ่นดิน ทำให้พญาครุฑไม่อาจโฉบเฉี่ยวเอาไปได้ 7. นาคที่อาศัยอยู่ในวิมานเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าพญานาคที่อยู่ในวิมานพญาครุฑจะไม่สามารถโฉบเฉี่ยวเอาไปได้และวิมานนาคนั้นค่อนข้างอยู่ลึกทําให้ครุฑไม่สามารถเข้ามากล้ำไกลได้และด้วยเหตุที่นาคมีวิมานอันสวยงามอยู่อาศัยก็แสดงให้เห็นถึงบุญญาบารมีของพญานาคเหล่านี้ว่ามีมากทําให้พญาครุฑไม่อาจทําร้ายได้นอกจากนี้ ยังมีพญานาคจำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังละลอกคลื่นในมหาสมุทรครุดบางตนที่มีความประณีต ก, กว่าหรืออยู่ในระดับเดียวกันกับพญานาค ก, ก็ไม่สามารถโฉบเฉี่ยวไปได้จะเห็นว่าแม้โดยทั่วไปพญาครุดจะมีอำนาจเหนือพญานาคแต่ก็จะมีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติกำเนิดหรือบุญบารมีที่มีมากกว่าขนาะเดียวกันหากเป็นนาคในชั้นปกครองเป็นนากระดับาาหัวหน้าหรือนาคที่อาศัยอยู่ในวิมานครุดก็ไม่อาจทำอันตรายได้ เพราะในโลกกระทิปต้องยำเกรงกันด้วยบุญบารมีเท่านั้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมให้ด้วยอยากให้ทำเรื่องไหนตำนานอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ